พระธรรมเทศนาแผ่นที่99ลำดับที่4โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่3กุมภาพันธ์2560มีชื่อเรื่องว่าอย่าลืมตนหลงตัวแจกหนังสือธรรมะเล่มนี้เพิ่งออกมาใหม่ใหม่ล่าสุด ทางแห่งปัญญาจากปัญหาธรรมมีหลวงปู่จูมหลวงปู่มั่นถามปัญหาหลวงปู่จูมถามปัญหาหลวงปู่มั่นหลวงปู่จูมเจ้าคุณธรรมเจดีแล้วก็มีของหลวงปู่ดุลหลวงตามหาบัวหลวงปู่ลามีหลายหลายองค์นะ เพราะนั่งพวกเราอยากจะถามปัญหาในใจของเราเราอ่านทำคําสอนของหลวงปูง่หลวงตาเหล่านี้แหละพวกเราอาจจะได้คําตอบจากหนังสือเล่มนี้ก็ได้นะแต่ตัวหนังสือใหญ่สําหรับให้ผู้สูงอายุผู้สูงวัยอ่านนะตัวหนังสือใหญ่แล้วก็เป็นหนังกระดาษถนอมสายตาอีกกระดาษชีเหลือ ง, งหน่อย พิมพ์ทั้งหมดเท่าไหร่หมื่นเล่มมัง้งเป็นของมูลนิธิวิริยะนะศีลวรรณวัดป่านาคำน้อยคงจะเป็นหลายเงินเหมือนกันนะพิมพ์หนังสือแต่ละชุดเนี่ยก็เป็นแสนเหมือนกันถ้าลูกหลานสองสามแสนบาทประมาณสี่แสนหนังสือแต่เล่มนิ้วู้กชืว่าหนาขึ้นมาหน่อยนะแต่เขาไม่เสียดายหรอกเพื่อน เสียดายคนไม่อ่านเท่านั้นถ้าได้ไปแล้วไปโน้นหัวเล่นเลยเ พ, รเพรอรเผยเอาไปช่างกิโลขายอีกต่างหากน่าเสียดายเปย็งนงั้นถ้าเอาไปอ่านเอาไปศึกษาโอ้มีประโยชน์มากหนังสือธรรมะเป็นแนวความคิดมากมายพวกเราจะเฉลียวฉลาดขึ้นมาได้ก็ต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังอาศัยการศึกษาอ่าไม่ใช่ว่า ปรับขึ้นมาจะฉลาดเลยมันไม่ใช่นะจะตั้งชื่อจะฉลาดก็เถอะอทําไม่ได้ศึกษามันก่อนเนี่ยนะไม่รู้อีกเหมือนกันนั่นแหละฉะั น, นขอให้พวกเราทุกๆคนนะ่อ่านเอาไปอ่านอย่างน้อยก็ไปทบทวนสมองออ่านใส่เมื่อจะไม่มาเยือนเมื่อกับเราออกกําลังออกกําลังสมองจากสถนะนั้นเมือ่อนออกกําลังกายคนที่ไม่อ่านหนังสือจะเลยไม่มีการทบทวนจะเลย เดี๋ยวอัลไซเมอร์เข้ามาตามง่ายๆเพราะฉะนั้นก็บอกว่าคนพ่อแม่ที่เป็นอัลไซเมอร์เนี่ยลูกหลานอยู่ไกลต้องพยายามถามบ่อยๆกินข้าวกับอะไรวันนี้ตอนเช้ากินข้าวกับอะไรถ้าตอบไม่ถูกก็แสดงว่าเริ่มละถ้าจำได้ตอบได้กินข้าวกับ น, น้องอันนี้วันนี้นัน่นแหะ <c oughs> เพื่อจะให้ทบทวนความจำดี่กเหมือนกัน อ่านหนังสือพอเราอ่านไปแล้วก็นั่งทบทวนดูไม่ต้องให้เขาถามเราเมื่อกี้เนี่ยเราอ่านเรื่องอะไรสองสามหน้ากระดาษเนี่ยเราอ่านแล้วทบทวนสินั่งทบทวนดูนี่แหละทบทวนความจําผลที่สุดกันความจํำของเราก็จะไม่เลือนลางเราจะจําได้ไปเรื่อยๆนะเพราะนั้น เพราะนั้นการอ่านหนังสือเป็นการออกกําลังทางสมองเหมือนกันนะเพราะนั้นอ่านหนังสือธรรมะอย่างน้อยก็เข้าใจในธรรมะจากนั้นก็นําไปประพฤติปฏิบัติอีกเกิดประโยชน์หลายๆด้านทั้งสุขภาพกายด้วยทั้งสุขภาพจิตด้วยในการอ่านวันนี้เป็นวันศุกร์ที่3ามกุมภาพันธ์พุทธศักราช2 5 6พ เมื่อวานเป็นวันที่สองหลวงพ่อได้ออกไปทาธุระแล้วก็ไปวัดโพธิสมพรครบรอบห้าห้าสิบวันของหลวงปู่ใหญ่วัดโพธิสมพรเขาก็ในมนลหลวงพ่อแสดงธรรมสองทุ่มเมื่อคืนนี้หลวงพ่อก็ได้พูดเกี่ยวกับการตั้งลาตั้งหลักพวกเราเนี่ยก่อนที่ หัวเลี้ยวหัวต่อตอนที่จะใจขาดนะพูดง่ายๆถ้าตั้งหลักไม่ดีฮตั้งหัวจะหลดุดอหรือปืนลูกขอหรือบ้างไฟไม่ดีเลถ้าหันหัวลงต่ํามันจะไปเรื่อยของมันนะตกเหวตกบ่อไปเรื่อยถ้าว่าเราตั้งหลักดีให้มันตรงแนวต่อดดวงจันทตอดาวพระอังคาร มันเ็นขึ้นไปสู่จุดนั้นะนี่เหมือนกันที่หลวงพ่อพูดเมื่อคือนนี้เวลาจะตายเราทำให้จิตใจเป๋ถึงจะสร้างบุญสร้างกุศลมามากทำบุญมามากแต่ว่าโค้งสุดท้ายเนี่ยเราตั้งหลักไม่ดีเอออาจจะตกต่ำก็ได้ไอ้ยาที่หลวงพ่อได้มาในพระไตรปิฎกมาในธรรมปทตตกรฐานท่านรักษาศีลมาไม่รู้ก นานเท่าไหร่พอจะตายเป็นห่วงผ้าจีวรเท่านั้นล่ะก็จังตายไปเกิดเป็นเล่นไปใช้ชีวิตในเป็นเล่นทั้งเจ็ดวันจากนั้นจะได้ค่อยขึ้นไปสู่สวรรค์นี่นะพระยาธรรมโศกกราดหลงพออ่างอีกเมื่อคืนนี้ก่อนที่ท่านจะมรณภาพท่านโกรดว่าลูกน้องบริวารเซนาอมามัดราชสกเวกทั้งหลายไม่ปฏิบัติตาม ไอ้ที่ตัวเองสั่งไปสมัยเมื่อยังกําลังวังชายังเหนียวแน่นสั่งอะไรออกไปเนี่ยแปลว่าลาบคาบไปได้ทุกอย่างแต่พอตัวเองป่วยหนักเข้าไปเธเนี่เขาดูแลทักจะไม่ไหวแล้วเป็นคำสั่งออกไปเขาไม่ฟังคำสั่งแล้วนะเนี่เขาดืดด้านต่อคาสั่งเขาไม่ฟังคำสั่งตัวเองโมโห จากนั้นก็นเลยใจขาดสิ้นพระชนในขณะที่โมโหไปเกิดเป็นงูเหลือมนะตรงหลวงพ่อเปรียบเทียบเมื่อคืนเนะี่ยเพราะนั้นถ้าหากว่าคนไม่เคยฝึกเรื่องจิตภาวนามา ก, ก่อนเนี่ยมันเป็นไปได้มากทีเดียวลนะขนาดนักภาวนาทแท้ๆเนะี่ยพอจะตายไปเท่านั้นเป๋ไปทางอื่นเนะี่ยก็ตกตกต่ำได้ไง่ายๆเหมือนกัน เพราะนั้นให้พวกเราสังเกตและฟังเอาไว้ในจุดนี้นะแล้วก็ภาวนาไม่ตรงตวงห่วงใครทั้งหมดเป็นช่วงที่จะรวบรวมทรัพย์สมบัติเงินเพชรเนินจินดาใส่กระเป๋าใส่เป้เอาเข้าบัญชุงบัญชีทั้งหมดที่จะเดินไปเบิกปรโลกภายภาคหน้าเพราะนั้นให้พวกเราเตรียมพร้อมในช่วงนั้น ถ้าหากว่าพวกเราไม่เคยภาวนาไม่เคยปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมมันลวนเลนะั่นเองปันป่วนมีความทุกข์ใจทุกขเวทนาเจ็บไข้ได้ป่วยเข้ามาอีกห่วงหาอะไรคิดถึงญาติพี่น้องอีกต่างหากไม่อยากตายอีกต่างหากมันหลายหลายแนวมาลุมมาตุ่มในช่วงนั้นนะถ้าเราไม่เคยฝึกไว้ก่อนเอ้ยใครจะอยู่โชฟ้าดินสลายวะ เราจะาจากไปละขราวนี่ขราวนี้เป็นเป็นาวของเราใช่แล้วเราจะต้องไปไปด้วยความมั่นใจไปด้วยความตั้งใจไปด้วยความพร้อมพอเราได้เตรียมพร้อมไว้แล้วอันนั้นแปลว่าเลิศประเสริฐนะที่หลวงพ่อได้พูดเมื่อคืนที่งานของหลวงปู่แล้วก็เมื่อวาน ทราบข่าวทางเสาเข็มที่เขารายงานมาแต่เมื่อวานขึ้นน้อยนะปัจจัยเงินขึ้นมาประมาณสักสองสแสนมั้งสี่แสนได้ยิงอีกไม่ถึง22ล้านได้21 000, ล้านกว่ากว่าก็ยังขาดอยู่เสาเข็มยังพองอยู่เนี่ยก็มีหลายคนผู้ใหญ่ที่ หลวงพอ่อลงไปกรุงเทพเมื่อข่าวทีแล้วนะอบอุ่นเตีองเสาเข็มพอประกาศไปแล้วก็นี่นะท่านพิชิตคำแฝงคำแฝงนะครับคแฝงท่านก็ผมขอสามต้นครับท่านหลวงพ่อจะไม่ผิดนะท่านก็ถวายเสียต้อมก็เป็นผู้รับปัจจัยแล้วก็นี่แหละ ท่านพิชิตเนี่แหละเป็นผู้เขียนพินัยกรรมเพราะท่านเป็นรองประธานศาลดีกาเนี่ยเนี่ยแต่เป็นลูกศิษย์ลูกหาตั้งแต่เป็นนักเรียนอยู่นะเป็นนักศึกษาอยู่นะเป็นลูกศิษย์หลวงตานะดังนั้นหลวงพอชุดท้ายมาท่านก็ได้เป็นผู้ใหญ่ท่านก็ได้เขียนพินัยกรรมถวายองคหลวงาตาเนี่ยพินัยกรรมที่เราอ่านอยู่ น, ะนั่นแหละท่านผู้นี้แหละเป็นคนเขียนแต่ท่านก็นไม่ออกตัวเพราะท่านเป็นลูกศิษย์ท่าน ปิดทองหลังพระอย่างว่าแต่คราวนี้ท่านก็เห็นด้วยที่จะสร้างพระัจดีองค์ลงตาท่านก็ถวายมาสามต้นแล้วก็พร้อมกันโยมเป้าสีเงินหนังสือคอลลมไทยพศอันนี้ท่านก็มาพบกับหลวงพอ่อลงไปคราวที่แล้วเนี่ยท่านก็ถวายเอกคุณราตีที่นั่งอยู่ตรงนี้เพื่อมาเมื่อวานก็มามาไปด้วยกัน ถาวายหลวงพ่อเสาเข็มหนึ่งต้น26มและมีคนสมทบมาอีก200 2้อยสนกกับส0ง้ท่า ท, าทั้งหลวงพ่อจะไม่จะไม่ผิดนะนี่แหละตามไม่จริงเสาเข็มต้นนึ่กับสอ้ันกร้ 25, 80, กดสิบท่านก็เลยถวายเป็น26่นไปเลยนี่แหละล ว, ว่าผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนขนาดท่าน ไม่รู้จักรู้จักหลวงตาห่างๆท่านก็ยังมีศรัทธานะเจริยวัรขององค์หลวงตาท่านมีจนทำคุณูปการให้กับโลกให้กับประเทศชาติบ้านเมืองอ่านดูสิฟังดูสิหลวงตาทำยังไงเพราะนั้นผู้ได้ยินได้ฟังผู้ใ ไ, ได้ศึกษาแล้วก็เออมีศรัทธาเอาเถอะบูชาพระคุณหลวงตาช่วยๆกันคนละไม้คนละมือ ไม่ให้มันตกไม่ให้มันตกล่นแต่เร้ยังยังขาดเท่าไหร่เสาเข็มเ่ยังขาดอยู่11บอล้านกว่า น, นิดหน่อยสอล้านกว่านะพอได้มาแล้ว21อยอล้านกว่านะอันนี้ก็คือเสาเข็มของหลวงตาแต่ถึงยังไงก็ตามเรื่อง เสาเข็มหรือว่าพิพิธภัณฑ์คองตงตานเมื่อาวานหลวงพ่อก็ติดตามอยู่นะถามว่าก็ตอกลงได้เท่าไหร่มันได้เท่าไหร่เมื่อวานนี้แปดต้นเมื่อไหร่กไรเน่ะเดี๋ยวนี้ยกำลังเล่งแล้วมนะัเขาจะเล่งนะนะจะนี่นะเล่งตอกไปเรื่อยๆล่ะพอมันพันสองพันสอง้อห้าสิบเอ็ดต้นแล้ว 1, 2, 1, 1ลก็ค่าเสาปูนก็สามสิบสองล้านกว่าเราก็ เซ็นสัญญาบริษัททักษินคอนเกรตที่จะทำผลิเสาเข็มให้เราเขาก็เซ็นสัญญาไปหกล้านหกล้านห้าแสนหกล้านสี่แสนกว่าประ่าณหล้านห้าแสนเลยก็แล้วกันอ่าเนี่ยอันนี้ก็คือเรียบร้อยแล้วมีเขาก็ปมีจะผลิตเท่านั้นแต่เนี กำลังก่อสร้างกันพวกเราก็มีตั้งแต่จะตุปัจจัยมันยังไม่พอเท่าไหร่หลวงพ่อก็จแจ้งข่าวให้ทราบเป็นละลอกระลอกไปเรื่อยๆจากนั้นทามันขาดจริงๆหลวงพ่อก็คงจะคงจะระดมอีกเอาจะตุปัจจัยของวัดของเราอีกทามันจะขาดนะทามันไม่ขาดคือเอา ช่วยๆกันเพราะาอีกนานอยู่ประมาณตั้งแต่วันที่สามสิบมกราไปสองเดือนไอ้สามเดือนที่ตอกเสาเข็มนะสามเดือนครึ่งแต่เขาขอเขาขอ ข, าขอทะเลทรายไปอีกเพราะปินสัญญาใช่ไหมเขาคือวจะก ล, กลัวโดนปรับะเขาขอสี่เดือนได้ไหมน ะ, เ, ะเขาก็ยังต่อรองกันอยู่ก็คืออยากจะให้มันเสร็จสามเดือน ตามกำหนดสามเดือนครึ่งนั่นแหะแต่ทียังไงก็ต้องฟังเหตุผลด้วยกันนะพอทางานด้วยกันการทํางานด้วยกันถ้าแข็งมากก็ไม่ดีทําให้คนอื่นผู้ทํางานด้วยอึดอัดถ้าย่อนยานมากเกินไปก็ทําให้เสียงานเสียของอีกเพราะฉนั้นก็ต้องมัดชิ ม, มานทางสายกลางทํายังไงมีเหตุผลอะไรจึงช้า ทำไมจึงทำได้เร็วนะมันก็ต้องมีเหตุมีผลของแต่ละเรื่องแต่ละงานการทำงานด้วยกันถ้าว่าผู้ใดทำอะไรไม่ลดลาวาศอกมันก็ทำงานยากเหมือนกันนะแต่ถ้าว่าทำอะไรเยือนยออนยานไปเรื่อยไม่มีกฎมีมีระเบียบโอ้อันนั้นก็ใช้ไม่ได้อีกเหมือนกันเละเทะอีกเพราะนัน้นทุกอย่าง มันต้องมัชชิ ม, มาพึงพาอาศัยกันยืดจุ่นต่อกันแต่จะให้มันเกินไปว่าเกินไปผู้มีปัญญาเท่านั้นจึงจะรู้ว่าเกินไปนันคืออะไรมากเกินไปน้อยเกินไปนั้นคืออะไรถ้าคนโง่งเงา่าเตาตุ่นแล้วก็ไม่รู้จักคำความมากมากหรือน้อยเพราะอะไรเพราะขาดจิตขาดปัญญา พันสิงเรานี่นนนเราต้องฝึกหัดเรื่องจิเรื่องปัญญาไม่ว่าในเรื่องไหนๆเราต้องรอบขอบรอบด้านเรื่องการงานก็ดีเรื่องส่วนตัวก็ดีเรื่องออกฎระเบียบการอยู่ด้วยกันมีมากมายสรุปแล้วก็คือการสถานที่บุคคลกาละเทศอัตถันยุตาอัตถันยุตาปริถนยุตาในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ยกขึ้นมาเมื่ อ, อไรก็ท่านสมัยเมื่อนั้นหลักธรรมคาสอนของพุท ธ, ธเราจะนำมาใช้บทไหนตรงไหนอย่างไรพระองค์วางไว้พูดไว้แล้วนะพระธรรมแปดหมสี่พันพระธรรมมขันเป็นตัวอย่างแต่ละตัวอย่างแต่ละตัวอย่างแต่เราจะเอาตัวอย่างไหนเพอเพออะไรอย่างเงี้ยบางคนกับเหมือนตาบอดคลาช้างไ่เนีย คนนึงจับได้หางวัวช้างเหมือนกับไม้ก ว, ดวาดคนหนึ่งไปโกบโอบขาช้างบ่ดช้างเหมือนกับต้นเสาคนหนึ่งไปจับหุช้างหุช้างเหมือนกับกระดกกระดง้งฟัดข้าวกระดง้งนี่แหละที่ตากของกระดง้งกระจัดนีแ่แหละถ้าไปจับงวงกับเหมือนกับต้นไม้ต้นกุ้ย ว่ากันไปเพราตาบอดใช่ไหมแต่ถ้าว่าคนตาดีเลยเห็นรูปทั้งหมดรูปโครงของช้างเป็นยังไงนี่แหละมันก็ไม่ต้องเถียงกันเลยแต่เนียเพราะอะไรจะไปเถียงกันได้ยังไงเพราะต่างคนต่างเห็นตาคนตาตาบอดต่างคนก็ต่างจับแต่ละมุมกันกระทะลาะกันวันยังคำ่ำนี่แหละเสียงทั้งหลายทั้งปวงอย่าไปดันทูลังเรื่องอะไรเกิดขึ้นมาก็ตาม อย่าเปดันธุลังจะไปตัวเองคิดว่าตัวเองฉลาดคนเดียวต้องแบ่งให้คนอื่นฉลาดบ้างฟังเสียงคนอื่นบ้างปรึกษาปะปารบกันาการอยู่ด้วยกันนี่แหละต่อไปกับลมเย็นผาสุกเพราะเฉลี่ยกันเคารพกันฟังเสียงกันไม่ใช่ว่าตัวเองพูดขึ้นมาแล้วก็คนอื่นพิษมดนะดันธุรังอย่างเดียวใครทางานด้วยไม่ได้ ผลที่สุดก่อนเขาปล่อยให้ทํางานคนเดียวไม่ไหวเอกเหมือนกันฮนะเพราะอะไรเพราะว่าทํางานคนเดียวไหวได้ยังไงพองานใหญ่ฮเพราะฉะนั้นก็ต้องอาศัยอาศัยแนวความคิดของหมู่ของเพื่อนของพักของพวกปรึกษาปรัรบกันทํำยังไงเป็นยังไงไปยังไงนี่แหละสรุปแล้วถ้าทําได้อย่างงั้น่ะดีเลิศนะในการทํานทำงานเป็นทีมเหมือนกับเราเตะฟุตบอลนะั่นนะอ กาว่าไอ้นี่แหละเป็นผู้เตะเก่งมากเลย เ, เวลาตอนไรมันเอาเข้าโกเขาได้ก็คือไอ้นี่แหละผลทั้งสูตัวเองก็ลืมตัวเข้าไปบ้านเอยพอลืมตัวเข้าไปกันพวกหมกูพวกเพื่อนที่กลุ่มเอตะฟุตบอลจะส่งให้มันไม่ส่งให้มันมันจะเป็นฮีโร่ได้เหรอถ้ากลุ่มไม่ส่งลูกให้เมืองเลย ผลในสูตรอะไรกัจะเตะยังไงใช่ไหมเขาไม่ส่งลูกมาให้ตัวเองใช่จะไปเก่งได้ยังไงเนี่แหละมันต้องเก่งต้องเก่งเป็น ท, ทีมใช่ไมันต้องสามัคคีกันตั้งแต่เริ่มแรกตั้งแต่เตะคนแรกเนี่ยเตะเข้าไปหาคนไหนเตะไปหามันยังไงเออเอาหน้น่ไอไอตะแก่ที่กําลังแรงๆนั่พร้อมที่จะเอาเข้าโกได้แล้วก็ส่งลูกให้มันใชเออมันก็เข้าได้ ก็เก่งกันทั้งทีมนะถึงตัวเองจะแต่เข้าโก้ได้ก็เถอะแต่ตัวเองอจะไปลืมตัวข้าในเก่งคนเดียวนะไม่ใช่ถ้าเขาไม่ส่งลูกให้ตัวเองโดยสนะิ้นเนี่ยมันก็หมดท่าอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันต้องเก่งด้วยกันทุกคนเนี่การทํางานไม่ว่าทํางานน่าจะฐานที่ใดวัดใดถ้ามีความพร้อมเพียงสมัคคีกันในการดําเนินงานนะ รู้ว่ากิจการใดก็าตามอย่างฟุตบอลอย่างที่ว่านะถ้าทํางานเป็นทีมต้องถอยทียถอยอาศัยกันนั่นแหละทีมนั้นจะอยู่ได้นานถ้าว่าใครอยากจ ะ, จะเป็นฮีโร่พอเขายกย่องขึ้นมาแล้วก็ลืมตัวลืมเจ้าของพอลืมเจ้าของท่านนั้นแหละเสียหายเลยพอเนี่นจะทีมนั้นก็นเลยล่มจมหายต๋อมไปทั้งทีมเลยเพราะเหตุใด <c oughs> <c oughs> เพราะว่าลืมตัวนี่แหละว่าลืมตัวคํำนี้มันมีหลายระดับนะคณะสัตยา จ, โจมโลกลานพระเนนทุกองการเกิดมาทั้งทีชีวิตก็ลืมเจ้าของอีกว่าเจ้าของจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอันนี้ลืมหลงใหญ่อันนี้หลงใหญ่หลงว่าเจ้าของจะไม่ตายเนี่ยอันนี้หลงใหญ่แต่นี่หลงอันนี้ตัวนี้น่ากลัวทําไม่หลงตัวนี้เออเอาเถอะชีวิตของเราต้องมีจุดจบแน่นอนอีกสักวันหนึ่งข้างหน้า เราจะตั้งอยู่ในความไม่ประมาทอันไหนคือคุณงามความดีอันไหนคือดีเราถ้าเราได้ศึกษาละดีเราจะคิดดีเราจะทำดีเราจะพูดดีเราจะประกอบแต่คุณงามความดีเราจะเชิดชูบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นตัวอย่างจะเชิดชูบูชาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นตัวอย่างข้าพเจ้าจะเดินตามแนวแถว พุทธประเพณีธรรมสังฆประเพณีประเพ ณ, เณีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่พาดำเนินมาเนี่แหละถ้าเราตั้งอยู่ในความไม่ประมาทไปอยู่นักสถานที่ใดอยู่กับคนชุมชนกลุ่มใดก็มีแต่ความร่มเย็นผ้าสุกนะแต่เพราะห้ไดเพราะการไม่ลืมตัวถ้าหากว่าลืมตัวขึ้นมาเมื่อไรอยู่ตามลำพังก็นะั้น เพอเพอเป็นบ้าเป็นบ่อได้ไง่ายๆไปอยู่นาที่ใดลืมเจ้าของ เ, ออเหมือนกับหลงตาเทิงไใใพูดนิทานเรื่องสุ ด, ส ด, สดทอรนะออ ล, ล, ลืมกระทั่งบอกแม่นกูว่าสูสนะลืมลืมลืมกระทั่งตัวเองก็เหมือนกันนะกูนะั่แม่แม่กูว่าสูผมว่มันถามเขาอีกเนะามือนกันถามถามขนาดตัวเองก็ยังลืมตัวเองอีก่ ถามคนอื่นออว่า ม, มันมันเราหรือเปล่าเนี่ยนะอืมมันลืมทั้งขนาดนั้นแหะพราะการลืมตัวอไปถามคนอื่นได้ยังไงขณะ ต, ตัวเองลืมลืมตัวเองเอออันนี้ใช่เราอันนี้ใช่เราหรือเปล่าเนี่ยนะออย่างที่หลวงตามหาบัวท่านเปียบเทียหลวงพ่อให้เปียบเทียให้ฟังชัดๆเขาเดี๋ยวหลวงพ่ออินท่านหลงหลวงพ่ออินลืมเจ้าของนะหลวงพ่ออินก็ถามคนอื่นนะ อ, อันนี้เป็นหลวงพ่ออินหรือเปล่าเนี่ย ชี้มหาตัวเองเหมือนกันเะเขาก็ว่าบ้าเถอะนอคนที่ถึงเขาจะพูดแล้วเขาไม่พูดเขาก็นึกในใจโอ้อันนี้บ้าใหญ่แล้วะลืมกระทั่งเจ้าของนะเขาว่าย่าง น, นั้นตอนนั้นพวกเรานอะอยู่นัสถานที่ใดอย่าลืมอย่าลืมตัวในประกอบคุณงามความดีสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจไม่ถึงร้อยปีละต่างคนต่างไปละไปต่างคนต่างได้ทีนี้ อย่างเราสร้างพระเจดีย์หลวงตาเนี่ยนะเราได้อะไรประธาตุพนมสมัยนู้น่ะในเมื่อสร้างขึ้นมาแล้วคนที่เป็นหัวหน้าเป็นใครก็ไม่มีใครรู้อีกอแต่ว่าสร้างสร้างพระเจดีย์พระพุทธเจ้ากัสปะนะี่ยอที่ว่าพระกุฏาภัติยะเนะี่ยที่เป็นหัวหน้าที่สร้างพระเจดีย์ให้เล็กให้น้อยเนะ่ยตัวเองเกิดเป็นเตียนะ้ย ถ้าพระพุทธเจ้าไม่มียานรัตนะพระพุทธเจ้าไม่ได้พูดเอาไว้ก็ไม่มีใครรู้อีกเหมือนกันอันนี้พระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้ว่าเนี่ยกุณพระพัทธปฏิยะเนี่ยพี่ตัวตัวเตี้ยนะเพราะว่าไปคัดค้านเขาเอ่ไปคัดค้านอแนวความคิดของเขาเขาจะเขาจะจะทำให้ใหญ่ให้สวยให้งามตัวเองก็บันคัดค้านเอาเล็กๆ ก, ก็ได้ละ เพื่อจะได้เหตุเสร็จง่ายไปได้กรารง่ายง่ายแต่ทำมาใหญ่หรูหรามโอราใหญ่โต เ, เกิดมาพบนาชาดนากเลยตัวเตีย้ยตัวเล็ก น, ะนี่แหละอันนี้นก็คือถ้าพระพุทธองค์พระพุทธเจ้าไม่บอกไม่กล่าวออกไว้พวกเราก็ไม่รู้นี่อันนี้ก็เหมือนกันนะการสร้างเสร็จแล้วนะต่างคนก็ต่างได้บุญของใครของเราใครทำมากใครทาน้อย ใครมีศรัทธาในจิตในใจมากน้อยแค่ไหนหรือว่าใครคัดค้านแท่ไหนเนี่ยแหละบาปอกุศลก็เข้าสู่จิตใจของคนนั้นอีกเหมือนกันนะอคนที่คัดค้านคนที่ไม่เห็นด้วยบาปอกุศลก็เข้าสู่ใจของคนนั้นอแต่หลวงพ่อเนี่ยกลัวแล้วกลัวแล้วเกินกลัวกลัวไอ้คนที่คัดค้านแต่เริ่มตน้นเริ่มแรกผลที่สุดโค้งสุดท้ายหนึ่งกระโดดเข้ามาช่วยเนี่ย กระโดดเข้ามาทำเพราะอะไ่พอมันเจียมจวนจะเสร็จแล้วเน่เหมือนกับโทโถนภามโทนพามแจกพระ ธ, ธาตุของพระพุทธเจ้าอธิพระธาตุของพระพุทธเจ้าที่ประชุมเพลิงเสร็จเรียบร้อยแล้วหัวเมืองต่างๆเขาก็ยกทับมาตัวเองก็ไม่อยากจะแบ่งงนะ กุชินาลาเป็นเมืองเล็กเนี่ยเมืองเล็กทหารอะไรไม่พร้อมกรุงรัชคฤอสาอธิษฐาตโกสัมพีพาลานสียกทัพเข้าไปจะแบ่งหรือไม่แบ่งผลที่สุดไม่แบ่งเขาจะเยียบเลทวนใสุดก็เอาให้โถนภามเป็นเป็นคนแบ่งโทนภามก็เอาอยากจะได้หน้าอีกต่างหากผลในสุดก็ได้เอาโถใส่ ก็แบ่งอ้าวเมืองใหญ่ก็ให้นับมากเมืองน้อยก็ให้น้อยแบ่งตามหัวเมืองต่างผลที่สุดก็ตัวเองไปเห็นพระเขี้ยวแก้วพระพุทธเจ้านะพระเขี้ยวแก้วนะพอเห็นแล้วก็โอ้พระเขี้ยวแก้วก็สวยงามนะลเลยเก็มาจับเข้ามาจิบใส่มุ้ยผมของตนเองนะขโมยนะขโมย ขโมยพ่อเกี้ยวแก้วพระพุทธเจ้าใส่มุ้ยผมพอมุ้ยผมเสร็จแล้วก็ได้และตัวหนได้อันหนึ่งแล้วผลที่สูดก็แจกแจกจากจะไปหมดพอไปหมดแล้วเสร็จแล้วก็เอาหมดแล้วนะทีนี้นะความความโถเลยเสร็จเลยความโถที่ใส่พระธาตุพระพุทธเจ้านี่แหะหมดแล้วแจกหมดแล้วไม่มีแล้วนพอแล้วเสร็จแล้วก็เอาแยกย้ายกัน ตัวเองก็เลยเอามือคลำคลอำที่มุ้ยผมของตนเองเหมือนกันไดอพอคลำคลำที่ไหนได้หายเหนี้ตกค้นหาแต่ไหนก็ไม่เจอเอที่ไหนได้พระอินทร์อยู่บนสวรรค์ที่เป็นเทวดาใช่ไหมอพอพอตัวเองเอาไปใส่ใจที่มุ้ยผมที่ขดผมเอาไว้เอพระอินทร์ก็ไปขามายต่อเหมือนกอนโทนพามขาโมยพระอินทร์ขมายเหอ น, น เออเลยเอาพระเกี้ยวแก้วไปไว่าอยู่บนสวรรค์ชั้นดาววดึงพระทิวท่วาพระเจดพระเจดีเกดแก้วจ น, จนลจุลมณีอยู่บนสวรรค์ให้เท ว, วดาได้กราบได้ไหวเลยนี่แหละโทนภามคำหาที่ศีรษะไม่ได้โทนภามกลัวมันจะตกขบวนใช่ไหมล่ะกลัวจะไม่ได้อะไรโปบปราบลงไปไปกวาดเอา ขี้เท้าขี้ดินเอเนี่นะเออเอาขึ้นมาเพื่อเป็นเป็นเครื่องเคารพกราบไหว้สักการะบูชา น, นี่แหละอพวกเราท่านทั้งหลายก็เหมือนกันนั่นนะ เ, เมื่อสร้างพระเจดีย์ขององค์หลวงตาแล้วเนี่ยถ้าเสร็จแล้วเนี่ยเอายังไงเอออย่ า, อาให้ตกขบวนนะเกิดมาทั้งทีทั้งชาตินะไม่ใช่ว่าเกิดมาแล้วก็หันหลังเฉย เขาทําเท่าไหร่เขยังอิดชาพยาบาทอาฆาตเขาอีกเนี่ยยังไม่เห็นด้วยเขาอีกในเมื่อเขาสร้างเสร็จแล้วเนยเป็นรูปเป็นอนันต์ขึ้นมาแล้วเนี่ยเป็นที่กราบไหว้ของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแล้ว่ะี่ยตัวเองตกขบวัอตกทั้งภพทั้งชาติมันไม่ไม่ถูกนะพวกเราคณะจต่าญาติโยมลูกหลานนะอพวกเรามีอยู่มีกินกินวันหนึ่งเท่าไหร่อ เราทานวมดสิบบาทไม่ได้ละร้อยบาทไม่ได้ละบูชาพระคุณหลวงตา<อ>นี่แหละอย่างวันนี้ก็นี่หลวงตาหวดวรวัฒโนแล้วกับแม่บ้านที่เป็นอาจารย์พร้อมลูกหลานญาติมิตรถวายเสาเข็มมาหนึ่งต้นกว่กกว่า รวมกันแล้วลูกหลานทุกคนถึงสิบยี่สิบเก้าคนยี่สิบเก้าคนเป็นเงินสามห0้าพันหนึ่งร้อยบาทนี่แหละถ้าคิดไปแล้วก็นะผู้ที่ห้าพันก็มีสามพันก็มีห้าร้อยก็มีสามพันห้าก็มีห้าร้อยก็มีหนึ่งร้อยสองร้อยก็มีนี่แหละ ถ้าได้บุญมาเขาก็แบ่งตามตามสัดส่วนเสาต้นนี้ยาวยี่สิบเอ็ดเมตรใช่ไหมล่ะผู้ที่ห้าพันได้เท่าไหร่ได้ศอกนึ ง, ห ร, งหรือได้เรือได้เม็ดหนึ่ ง, งถ้าหากว่าผู้สามพันได้เท่าไหร่นยมันก็แบ่งบุญตามกุศลตามนั้นแหละแต่ถ้าหากว่าผู้มีศรัทธาจริงๆ เ, งเขาก็ได้มากนะ ถือบริจาคน้อยกว่าจริงอยู่แต่ว่าศรัทธาของเขาเข้มขน้นคนนั้นเขาจะได้บุญมากกว่าคนที่ไม่มีศรัทธาเห็นเขาทําก็ทําไปอย่างนั้นละ่ะทําแบบไม่ได้ใส่ใจไม่เชื่อว่าบาปบุญคุณโทษมีอีกตัางหากทํำไปทําทเดี๋ยวเขาจะหาว่าตัวเองเ อ, อไม่มีศรัทธาไม่มีไม่มีความจงใจตั้งใจเห็นเขาทําก็ทําไปอย่างนั้นละ่ะพอทําเสร็จแล้วก็ บนทางหลังอุบอับอีกต่างหาก เ, เสียอกเสียใจอีกต่างหากเสียดายเงินอีกต่างหากเอ้กูโง่แล้วกูฉลาดวะถ้าไม่ทำหรือกลัวเขาจะว่าให้ถ้าทำไปหรือจะเสียดายเงินถ้าเป็นอย่างนั้นอ่ะไม่ได้บุญมากคนท่านประเภทอย่างนั้นคนประเภทอย่างนั้นถ้าคนเ้อเอาเท่เ อ, อ, อข้าพเจ้ามีเงินอยู่ร้อยบาทข้าพเจ้าขอบ ร, ริจาคหาบาทสิบาท เออเหมือนกับคนมีเงินหมืน่นเงินแสนมีเงินหมืน่นบริจาคพันบาทลักษณะอย่างนั้นหละเออไม่ใช่ธรรมดาเลอันนี้แปลว่าตัดจิตตัดใจเ่พราะมันจนข่าวที่ชาตินี้มันจนถ้าว่าค่าเนยรวยคนนี้ค่าจะทำให้มากกว่านี้นะนี่คือความตั้งใจนี่แหละบุญกุศลจะเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจของคนคนนั้นมากกว่าคนที่ไม่มีศรัทธานะเพราะนั้นในพวกเรา ก่อนที่จะทำสิ่งไหนลงไปเราจะปลูกข้าวลงในเนื้อนาเรามั่นใจว่า น, นานเป็นนาที่สวยดินดีน้ำดีเราปลูกลงไปแล้วไม่เสียหายได้กำไรแน่แน่ได้ทุนแน่ๆน่นี่เราก็ท่มลงไปโดยความตั้งใจได้วความใส่ใจนั่นแหละบุญกุศลจะงอกเงยเต็ม งอกเงยขึ้นมาตามที่มันจะงอกเงยขึ้นมาสู่จิตสู่ใจของพวกเราเพราะนั้นขอให้พวกเราทั้งหลายนะการทำอะไรก็ทำด้วยศรัท ธ, ธาทำด้วยปัญญ า, าทำด้วยความรอบคอบอทุกอย่างนั่นแหละสติปัญญ า, าความเพียรความอดทนความอะไรทุกอย่างนะาการสร้างบุญสร้างกุศลเพราะนั้นจะไปทำแบบชังกระตายแบบ ไม่มีศรัทธาอนะันนั้นไม่ดีนะลูกหลานนะคณะศรัทธาญาติโยมนะทําอะไรทําด้วยความตั้งใจจงใจด้วยความมุ่งมัน่นนั่นแหละบุญกุศลจะเข้าสู่จิตใจของพวกเรานั่นแหละเมื่อบุญกุศลเข้าสู่จิตใจแล้วนะมันคล้ายๆกับว่ามันสุข ส, สิ่งทุกอย่างมันเป็นมาเองมันเกิดมาเองมันเป็นมาเองโดยที่ไม่ได้ตั้งใจ พอที่ข่าวคับคันมีความจําเป็นมาหลั่งไหลทะลักเข้ามานั่นแนหะบุญกุศลมันเป็นพลังอยู่ลึกๆเหมือนกันนะถ้าเราทําบาปก็เหมือนกันนะั่นแหละทำบาปขึ้นไปเออมันจะโผล่ขึ้นมาเป็นคลังข่าวคลัขงข่าวเหมือนกันนะถ้าเราทําบาปนะถ้าเราทําบุญก็อย่างนี่แหละมีความร่มเย็นเป็นสุขสบายอกสบายใจนี่แหละควรจะสั่งสมบุญกุศลนะพวกเราท่านทั้งหลายเกิดมาทั้งทีชีวิต ด้พบพระพุทธศาสนาในพบพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วอย่าได้เปล่าประโยชน์อต่อนนี้ไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรรับพรนตัตีินะ